จิตจะกว้างขวางนะไรขอบไรเขตภาษาบาลีเรื่องวิมาริยะที่กัดเนี่ยภาษาไปท่องมาหลายวันนะ <c oughs> <c oughs> มันกว้างขวา ง, วางใจอ่ะการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนะเป็นเรื่องดีมากเรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ประมาทนะคือลาเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ชีวิตก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยเดี๋ยวทุกเรื่องโน้นทุกเรื่องนี้ไปเรื่อยหาทางออกไม่ได้นะ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 นะในนาทีที่เราจะข้ามภพข้ามชาติในเวลาที่จิตเดินเข้าสู่อรหัตมรักเนี่ยตรงนี้คุณงามความดีทั้งหลายจะต้องระดมรวมตัวขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสจะมาแตกหักกระมานในนาทีสุดท้ายนี้เองนั่นะเราต้องสะสมนะคุณงามความดีทุกชนิดเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังอย่างในพระไตรปิฎกพูดใช่ไหมในพุทธประวัติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะ นั่งอยู่บนรัตนบันลังไม่แย่บันลังโก้เก๋อะไรนะนั่งอยู่บนหญ้าหญ้ากุศลคนไทยมาแปลว่าหญ้าขานะจริงๆไม่ใช่หญ้าข า, า, ขามีขมนั่งไม่ได้มาคือหญ้ากุสลเดี๋ยวนี้เรียกหญ้ากุศสท่านนั่งลงแล้วเนี่ยท่านตั้งใจแล้วไม่ถอยละ ว, วันนี้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ถอยละเสลมานถจุนเห็นไหมมานถจุนท่านอาศัยคุณงามความดีของท่าน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 อย่างเราเมตตาลูกของเราเนี่ยเราก็ห่วงว่านี่ลูกของเราใช่ไหมพลิกเป็นราคะเราเมตตาผู้หญิงคนนี้มากนะเสร็จแล้วเราก็เลยห่วงเขา้าไปรักเขาขึ้นมาเป็นราคะกรุณาก็พร้อมจะพลิกเป็นโทสะได้อย่างเราเป็นห่วงใครสักคนนะคอยเตือนเขาเขาไม่เชื่อเราโมโหนะโมโหเนี่ยเป็นโทสะแนละ้วงั้นเราประมาทไม่ได้กุศลที่ถึงมีอยู่ก็ยังประมาทไม่ได้มันพลิกเป็นอกุศลได้เห็นไหมนี่2ตัวแล้วนะเรื่องประมาท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 นั่งอยู่ก็ทุกนะเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกทําอะไรก็ทุกมีความทุกขตามบีบคั้นตลอดวันตลอดคืนไม่มีเว้นวรคให้หรอกเนี่ยเราคอยรู้อย่างนี้เรียกว่ากลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไง้นกายเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์นั่นเองแต่ว่ามันเด่นในเรื่องความเป็นทุกจากการไม่ใช่ตัวเราคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปจิตใจล่ะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนันถามว่าเราจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นของไม่เที่ จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะจะหาคนใจง่ายเท่าเราหายากรู้สึกยังนะรับสรารภาพไหมคนที่ดูจิตดูใจเป็นนะจะหาคนที่ใจร้ายเท่าเราหายากกินะเลสเกิดทั้งวันเลยกูสนไม่ค่อยจะเกิดสนะังเกตไม้มจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้เนะี่ยให้เราคอยรู้อย่างที่เขาเป็นอย่างนี้นะรู้กายอย่างที่เขาเป็น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 อาจารย์ไม่อยู่วัดนะรับนิมนต์ไปทุกวันทุกวันนะหายไปเลยหรือบางแห่งมีแต่รูปแบบหลายแห่งเพียงลูกเดียวกระทั่งในสำนักที่บอกว่าทําแต่วิปัสสนานจริงๆแล้วติดสมถะเกือบทั้งหมดติดสมถะนักปฏิบัติเพราะาอะไรเพราะเวลาเราเรียนธรรมะเราเรียนข้ามขั้น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 แตสมว่ามันมีตัวเรามันมีตัวเราแต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสมาัสมาสมาสติมีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องก็คือการที่เราเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยได้เป็นโสดาบัลแนะแต่โสดาบันไม่ใช่นึกเอาเองนะ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 เห็นแล้วไม่ใช่เราแต่ว่ามันยังรักมันยังหวงแหนในกายในใจนี้ต้องดูต่อไปอีกดูต่อไปถึงวันหนึ่งล้วเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้ากายเป็นทุกข์ล้วนๆนันมันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อหมดความยึดถือในกายก็จะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณสิ่งที่มาสัมผัสกาย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 ลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะคำว่าลัดนิ้วมือคือการดีดนิ้วเ น, เนี่ยถ้าดีดช้าๆหน่อยก็ประมาณครึ่งวินาทีแสนโกรธขณะแล้วบอกว่าจิตขึ้นรับอารมณ์นะขณะใช่ไมเราหาออกมาได้ตั้งกี่พันล้านกี่พันล้านวิถีก็มรู้ท่านสำนวนแขกนะคำว่าแสนโกรธอะไรเงี้ยสำนวนแขกแปลว่าเยอะ ขณะต่อหน้าเรานี่แหละสำคัญที่สุดปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้านีา่เองแต่คําว่าปัจจุบันมีหลายอย่างนะปัจจุบันขณะหมายถึงสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานี้นะปัจจุบันสันติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันนี้เวลาดูกายเราดูลงเป็นปัจจุบันขณะเลยเวลาเราดูจิตใจนะเป็นปัจจุบันสันติหมายถึงเราตามดนะูตามดูสิ่งที่เพิ่งดับไปสดสดร้อน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 บางคนหลวงพ่อต้องใช้วิธีท้าลองมาลองรู้เฉยๆแบบไม่บังคับสักเดือนหนึ่งได้ไหมลองดูขอเดือนเดียวอะ่ะถ้าไม่ได้ผลก็กลับไปเพ่งอย่างเก่ามีบางคนรับคําท้านะแล้วก็คลายการเพ่งออกแล้วตามรู้นะสองสามวันเองเข้าใจละมังนง่ายนิดเดียวเลยไปทำซะยากทำซะลําบากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งไม่ให้นิ่งๆ น, นะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเข้าใจครับเ อ, อ้เข้าใจอย่างเงี้ยไม่เตะหลวงพ่อแล้ว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 โอกาสที่จะเจออีกหายากคนส่วนมากที่ตายเนี่ยจะไปอบายนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะคนส่วนมากไปอบายนะไม่ไม่ใช่ไปสุคติส่วนมากไปอบายดงนั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมนี่ยากที่สุดเลยเพราะงั้นเด็ดอย่าละเลยนะรีบศึกษาอดทนนิดนึงจะชอบใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือไม่ชอบใจไม่สาคัญนะ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 กาบไหนอยู่ไหนยกมือหน่อ ย, อ, ยอ๋อกาบเมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับสภาวะของการติดบุญนะคะก็คะเคยฟังพระอาจารย์พูดนะคะสภาวะติดบุญค่ะก็ดีกว่าติดบาปเนาะ <c oughs> <c oughs> คือสภาวะทั้งหลายเนี่ยเราติดได้ทั้งนั้นถ้าเราไปเพลิดเพลินพอใจมัน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 สามีก็เตะลูกก็ด่าอะไรนะใจตกเลยนะใจเศร้าหมองเนะี่ยบุญอย่างนี้ก็พล่องกับแพร่งเนียอว่าบุญไม่ฉลาดบุญทําร้ายตัวเองนะงั้นเราจะทําบุญก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองบุญที่ไม่ต้องเสียสตังอนะมีเยอะกว่า บ, บุญที่ต้องเสียสตังนะในกุศลกรรมบท10บอย่างหรือบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนะบุญที่ต้องเสียสตังอนะมีหนึ่งในสามของ1สิบนะ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 แต่ว่ายังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงอาคุณตรงเข้ามากับเขาด้วยเรียบหลวงพ่อขอประท้วงนิดนะึงพวกที่ไปวัดหลวงพ่อแทบทุกวันจนไปตามมานี่ด้วยคือตอนนี้จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อตอบพี่คนมเมื่อคืนค่ะหนูก็ตอนนี้ยังดิ้นอยู่อ่ะ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 คูบาอาจารย์ก็จะตอบว่าก็รู้แล้วอ่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วมันจะทําอะไรยิ่งกว่านี้อ่นะมันถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แล้วนะตอนไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่กับท่านได้ปีกว่ากว่าเองหลันะจากนั้ น, นจะไปหาหลวงพุทศบ่อยไปนะถามหลวงพุทศทุกครั้งอ่ะแล้วท่านจะตอบเหมือนกันทุกทีนะอยู่อย่เงี้ยก็มีสติแล้วจะเอาอะไรมีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจไปสิวันหนึ่งมันก็พอของมันเอง่ะ เหมือนผ ล, ลไม้ที่รอเวลาสุกงอมใจเราก็เหมือนผ ล, ลไม้นะรอเวลาที่มันสุกงอมอยัาไม่ต้องไปรีบบ่มมันไม่อร่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะจ อ, อยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยค่ะออพอดีโยมไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกนะคะแล้วก็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 เวลารายงานหลวงพ่อนะคําว่าพยายามอย่าหลุดออกมานะอะถ้ามีคําว่าพยายามปุ๊บจะถูกเล่นงานลนะอย่างนะี้เป็นทุกคนแหละบางคนนะาแต่งเรื่องขึ้นเลยล้วนๆเลยก็มีนะครับก็เคยรายงานว่าก่อนที่จะมาฝึกดูจิตนี่ผมไม่เคยฝึกสัมมาทมาก่อนแต่ว่า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 พอจิตทําจิตเพ่งท้องไปด้วยเพ่งเบาๆนะอย่าเพ่งแรงถ้าเพ่งแรงเราเครียดอึดอัดไม่สงบเพ่งอย่างสบายรู้ท้องไปอย่างสบายๆเดี๋ยวเดียวจิตสงบจิตสบายนี่ได้สมถะละพอจิตใจมีความสุขมีความสบายมีสติรู้จิตที่มีความสุขความสบายนี่เจริญปัญญาต่อละนะั่นสมถะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะกระทั่งเราท่องพุทธโธเราบอกว่าเป็นสมถะในศาสนาพุทธนะท่องพุทโธพุทโธไปด้วย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 ทีนี้การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถือต้องการที่จะให้มีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจเนะะี่ยค่ะดี่ันไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนโยมมีลูกมีหลานอะไรไหมเออก็มีแต่ลูกหลานก็ดี่ันก็ถือว่า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 โมโหโธโโขึ้นมาเราดูตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วเราดูที่ใจเราเราเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆพอคิดถึงลูกหลานแล้วใจไม่ค่อยสบายเนี่ยดูไปใจไม่เที่ยงเนะี่ยดูอย่างนี้นะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะมายิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยทํากรรมฐานละเลีนะเ้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรบ้างไห ม, ไมหรือทํากิจกรร ม, มอะไรบ้างแต่หลานเลี้ยงเนี่ยค่ ะ, คะแล้วชอบทําอะไรบ้างอะ เออชอบทําอะไรบ้างก็ชอบทําสวนเออทาสวนก็ได้ค่ะนะอย่างเราทําสวนหน้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เรางอกงามเราพอใจเรารู้ว่าพอใจวันนี้หนอนมากินต้นไม้เราเราโมโห О รู้ว่าโมโห О. นี่แม้ทําสวนก็ทํากรรมฐานได้อย่างนั้นดิฉันก็รู้อยู่แล้วค่ะเออรู้เยอะเยค่ะคือคือคือถ้าเผื่อม่าอย่างนั้นดิฉันก็แสดงว่าดิฉันทำกรรมฐานอยู่แล้วอ๋อทำไ ป, ไปเรื่อยเวลาที่ทําสวนดิ่ันก็รู้สึกของดิฉันอย่างนั้นแล้วต่อไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ก็มี อ, อีกอันหนึ่งะนะไอตอนทําสวนแล้วนอนมากินแล้วโมโหรั่วโมโหอันนี้ใช้ได้ละต่อไปนี้ใจเราแอบไปคิดให้รูั่วไปคิดอ๋อค่ะใจแอบไปคิดค่ะเดี๋ยวมอบไปสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตร น, ะ, ะ, นะอยู่ไหนก็ไม่รู้วันนี้อยู่มเนี่ยเนี่ยทีมสีแปลกแเนี่ยเขาเรียกสีอะไรลงพอก็ไม่รู้จักสีกุหลาบเก่าเก่า <laughs>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 ถ้าทำแบบเคร่เครียดจะมีความทุกข์เยอะเลย <c oughs> ทำเล่นๆนเช่นเราเดินเดินอยู่นะเห็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆใจเราชอบขึ้มารู้ว่าชอบ <c oughs> ไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็เดินตากวางๆไปเพ <c oughs> ราจ้องอยู่ที่ใจเจออะไรแล้วก็เฉยๆอย่างนี้มีแต่ความเครียดใช้ไม่ได้ <c oughs> ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกนั้นอย่าไปดักดูถ้าดักดูแล้วจะเครียด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 อะไรเนี่ยตรงตรงนี้เราต้องทำไหมหรือว่าคือตรงที่จะธรรมวิจยะเนี่ยนะ แ, นแตธะ่ธรรมวิจัยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคิดธรรมะธรรมวิจยะคือการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจอันนั้ น, นแหละเรียกว่าธรรมวิจยะหมายถึงว่าเราตามรู้เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นใจรักเนี่ยนี่แหละคือธรรมวิจยะองค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพธชงนั่นะคือสมาิฏ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 สงบแล้วก็ออกมาคิดพิจรารณาอีกนี่เป็นเรื่องอุบายแต่พอหมดเวลาที่จะพุโทโธพิจรารณากายแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ยืนเดินนั่งนอนต้องมีความรู้สึกตัวรู้ว่า้รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญาจรงิงจ ร, งจ ร, งจรงิจะได้มากไร่ผลหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้แหละคือคือครูสุรบาย ต, ตอนที่ดึงมาพิจารณานี i ก็ทําได้ ได้ได้ใช้เมื่อจําเป็นผมกับใช้เมื่อใช้เมื่อใจไปติดเฉยอะนะกับเรียนหลวงพอ่อพอดีผมเป็นมวยวัดใช้การศึกษาเอาอ่านเอาแล้วก็นานๆจะมาพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ที่ไม่ทราบที่ผมผ่านมานี่ที่ผมปฏิบัตินี้พอจะใช้ได้ไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาอมคือสติแท้ๆยังไม่เกิดสมาธิมาสมาธิแท้ๆยังไม่เกิดจิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่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 ออมีคนเตือนหลวงพ่อบอกอย่าตอบแบบนี้ตรงไป <laughs> ตรงเกินไปให้ตอบเลี่ยงเลียง <laughs> แต่บางทีตอบเลี่ยงมีปัญหาเลี่ยงเราไม่รู้เรื่องเรื่องแล้วไปทําผิดเลย <laughs> งั้นเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนด้วยใจจริงๆนะหลวงพ่อสอนด้วยใจจริงๆนะอย่าเรียนแบบหาเรื่องจับผิดกันกรรมนมั <laughs> <laughs> สการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือ ไ ด, ได้ไปกับเรียนทำหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยากจะสงสัยนะเจ้าค่ะว่าที่ปฏิบัติเนี้ยจิตมันตื่นแล้วหรื อ, อยังเจ้าคะขณะนี้ไม่ตื่นเพราะขณะนี้สงสัยดูออกไหมค่ะแล้วขณะเนี้ยไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจไม่คอยจดจ่อรอฟังหลวงพ่อ <c oughs> ขณะเนี้ยจิตที่ตื่นเต้นตะเกียลดความตื่นเต้นลงแล้วรู้สึกไหมอ่ะ <c oughs>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 ทำงานแล้วดีใจเสียใจเราค่อยรู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วจริงต้องการคบนี้จะได้มั่นใจก็แล้วนี่หลวงพ่อบอกก็มันก็น่าเกลียดคือจะเรียกว่าเพิ่งจะหันมาสนใจจริงจนะคะประมาณปีได้่ะดีแล้วแต่ว่าเรเราเริ่ตื่นขึ้นมาแล้วจะเริ่มทางแนวของทางครูบาอาจารย์ทางเก่าๆที่ทีแรกด้วยความเข้าใจว่าต้องรู้กายรู้จิตอันนี้คือ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 นะมีอะไรปิดทายมีอะไรสงทายอ๋อมีแ<ม>บ บ, บ, บอย่างขอตกค้างอย่างนงก็ <c oughs> ขออนุโมทนาพวกเรานะ <c oughs> สนใจธรรมะดีแล้วมีชีวิตแต่และคนไม่รู้นะจะตายเมื่อไหร่นะอย่าประมาท <c oughs> วิธีไม่ประมาทที่ดีที่สุดนคือศึกษาธร ร, รมะศึกษากายศึกษาใจของเราให้ดี <c oughs> หลวงพ่อเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งตายไปนะแต่ก่อนมาสาราลุงชินประจำอะ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 ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสะครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสัพเทปูเรนตูสังกปาจันโทพันราโสยทถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตปันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง